b o า k ส96นันตเียตนันตเียตคำสรันธสามลีเดซัทแท้ลีเดซัทผมจะตื่นทันทีที่นาฬิกาปลุกดัง ซบซผมจะง่วงนอนทัน <t> ทีท <pod> ี่ผมเริ <the> ่มเรียนหนังสือดูทผมจะเลิกทำงานทันทีที่ผมอายุหกสิบูชยป Sa ต ë mbush 60 v j e ด Do të pushoj s ต punuari Sa të mbush 60 v j e ุ k บ uh r ชเ të m า r วียตเวียช์คุณจะโทรมาเมื่อไหร่คุณโทรมา i t i ่อไนนาโทรศันทีที่ผมมีเวลา เคมเขาจะโทรมาทันทีที่เขามีเวลาอคุคุณจะทำงานอีกนานเท่าไหร่่ ไซจั a โดเตปุน้อยนผมจะทางานเท่าที่ผมยังทำได้าโด้ผมจะทางานเท่าที่ผมยังแข็งแรงอยู่ปุ อี เ, เขา น, นอนบนเตียงแทนที่จะทำาินาเคั่งาน้อยไอ ร, รินาเค ร, รเเธออ่านหนังสือพิมพ์แทนที่จะทำกับข้าวอ เขานั่งในผับแทนที่จะกลับบ้านไอรนาเว ท, ท, ท่าที่ผมทราบบ้านเขาอยู่ที่นี่เ ด, ดีอ เท่าท like ี่ผมทราบภรรยาของเขาไม่สบายเส์ีออตอเท่าที่ผมทราบเขาตกงานเมอส์ีอายีพัมอสา เออผมนอนหลับเพลินมิฉะนั้นผมก็จะตรงเวลามซูรจูมิปนชตตอิชปอร์ิกต์มซูรจูมิปนตอิชอิปอร์ิกต์ผมพลาดรถเมย์ไม่งั้นผมก็จะตรงเวลาผมบอเอทูส Për n d r บ s h e ป o të isha i p ë r p i k ง Humba ไ u t o ่ u s i บ p ë ไ n d r ่ s h e do të isha ง p ë r ั i, i r t. Mai pop, mai k e ya, t นั่งรถบัสไปนั่งรถบัสไปนั่ง o ถบัสไปนั่งรถบัสไปนั่ e รถบัสไปนั ë งรถ r ัสไปนั่งรถบัสไปน p ่งร